ตั้งใจศีลกับสมาทานแล้วเรียกว่าเป็นผู้มีศีลแล้วมีศีลที่กายที่วา่าที่ใจต่อไปก็ต้องใจภาวนาเข้าที่จะนั่งคัสมาธิก็ได้นั่งขัสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้าย วางมือขวาทับมือซ้ายต่างกายให้ตรงหรือจะนั่งพาะเพียบก็ได้ทำเข้าที่เข้าทางการ น, นั่งต่อสู้พญามารท่านก็นิยมนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิเรียกว่าเป็นการ จเจริญจิตภาวนาไปในตัวพร้อมหรือจะนั่งพับเพียบแต่ว่าสมัยก่อนที่เวลานั่งฟังโอวาทธรรมะของครูบาอาจารย์บางทีก็นั่งพับเพียบก็ฟังไปเลยบางทีท่านนำพานั่งสมาธิก่อนแล้วก็เข้า สมาธินั่งขัดสมาธิ <c oughs> หลวงปู่สิมท่านให้นั่งขัดสมาธิเพชเอาขาซ้ายขึ้นทับขาขวาก่อนแล้วค่อยเอาขาขวาขึ้นทับขาซ้ายเรียว่านั่งขัดสมาธิเพชั <c oughs> น, นี่ถือว่าเป็นท่าที่เตรียมท่าเตรียมทางไม่ได้ถือว่าไม่ไม่เป็นการ ทารอไปนั่งให้สงบไม่ให้กายกระดุกกระดิกนั่งให้สบายแ่งให้สบายไม่มีที่ขัดเคืองแล้วก็ตั้งสติตัวสำคัญองค์ประกอบที่สำคัญคือสติสติความะระลึกรู้ท่านเรียกว่า สติคุมจิตหรือคุมใจคุมใจคือความรู้นี่ให้รู้อยู่ในสิ่งเดียวที่ให้เป็นงานกำหนดรู้แล้วรรู้อยู่นั่นเช่นการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นต้นแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทาในเบื้องต้นน้นตั้งแต่ พระ อ, องค์ยังเล็กๆอยู่พระบิดาพาไปทำการแลกหน้าขวันนั่นสิทธะกุ ม, มาร น, นั่งขัดสมาธิเจริญอนาปานสติอยู่ใต้ร่มไม่ว่าสมภูใหญ่กิดรวมเข้าสู่กระแสแห่งความแน่วแน่กลายเป็นชาญเพ่งอยู่เฉพาะลมหายใจ แนวแน่นั่นะจนสามารถทำให้ล่มไม่ว่าไม่เอียงไปตามพระอาทิตย์แม้พระอาทิตย์บ่ายไปแล้วก็ตามล่มไม่ว่าสมภูนั่นก็ ย, ยังเที่ยงตรงเป็นเงาเป็นล่มครอบพระ อ, องค์อยู่นี่เดียมีอำนาจสมาธิคือความมั่นคงของจิตมีอานาจ นี่พระพุทธเจ้าในขั้งเมื่อเป็นสิทธะในเจริญก่อนเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นการรู้ลมหายใจเพราะลมเนี่เป็นเป็นสมบัติแห่งชีวิตประจําชีวิตของเรามีมาตั้งแต่เราได้มาตั้งแต่ ปฏิสนธิในคันของแม่แล้วก็เกิดเป็นรูปร่างกายเป็นตัวเป็นตนในคันของแม่นั่นแหละอาศัยหายใจจากมารดาในเบื้องต้ น, ตนเมื่อคลอดออกมาแล้วก็หายใจเองได้เป็นธรรมชาติเป็นบุญเป็นบุญอย่างยิ่งที่เราได้ ลมหายใจเป็นธรรมชาติเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีเครื่องกลเครื่องยน์อะไรมาคอยทำงานแต่ระบบการสูดหายใจสมบูรณ์บริบูรณ์โดยธรรมชาตินี่ท่านเรียกว่าได้มาด้วยอำนาจแห่งบุญบุญสมบูรณ์บริบูรณ์บุญที่ดีก็ได้ระบบ การหายใจที่ไม่ขัดข้องไม่ติดขัดถ้าหาว่าผู้ไม่มีบุญสมบูรณ์มันก็ติดขัดนี่ถึงแม่ได้เหมือนกันแหละก็เกิดการติดขัดมาตั้งแต่นู่นแหละอยู่ในท้องของแม่หรืคอคลอดออกมาเป็นเด็กเป็นเลกแลก้วก็ลำบากกับระบบหายใจแต่ของเราเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์เรียกว่าได้มาด้วยบุญ เป็นอาในสงเป็นบุญญาลิศเป็นบุญญาลิศประสิทธิ์ประสัดให้มีโอกาสได้สมบัติคือลมหายใจซึ่งเป็นธาตุที่รอเรียงที่รอเรียงกายของเรานี่แหละที่รอเรียงรถกายนี่เรียกว่าราชุรถหรือรถทิพย์คือร่างกายของเรา นี่เราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจลมหายใจก็เข้าออกเข้าออกเป็นอัตโนมัติแต่ที่นี่เรามาตั้งความระลึกรู้ความรู้สึกให้มารู้กับการหายใจเข้าไปหายใจออกมาหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ นี่กำหนดลมหายใจเฉพาะหายใจเข้าไปสั้นหรือยาวก็รู้ให้สบายสบายไม่ให้ขาดเครืองหายออกยาวก็รู้หายออกสั้นก็รู้หรือจะน้อมนำเอาคุณของพระพุทธเจ้ามาเป็นคําระลึกของสติด้วยมาเป็นคำรู้ของใจด้วยคือหายใจเข้าไป พุธรู้หายใจออกนึกโท ร, รู้หายใจเข้านึกพุธรู้หายใจออกนึกโท ร, รู้ทาอยู่แค่นี้แหละทํางานทําสติกํากับกันอยู่แค่นี้หายใจเข้าพุธรู้หายใจออกรู้นี่เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของสติหน้าที่ของใจของเราในปัจจุบันนี้ สติความระลึกรู้ใจคือความรู้พุทธโธเป็นคำให้ระลึกน่สนใจมใไม่ให้เผอไม่ให้เผออส่วนธรรมะที่ครูบาอาจารย์ท่านจะพูดไปก็จะสัมผัสหูร่วมเข้าไปสู่ใจถ้าไม่เข้าสู่ใจแต่ใจของเรา แ้ลอยู่กับคำว่าพุทธโธพุทธโธนั่นนะได้ซอว่าธรรมะกลมกลืนกับใจถึงแม้จะไม่เข้าใจในกระแสเสียงธรรมก็ตามแต่ว่าอาศัยเสียงธรรมะที่พูดเป็นตัวกระตุ้นไม่ให้เผลอไม่ให้สติเผลอจากพุทธโธพุทธโธหายใจเข้า พูดให้ใจออกโทนี่ตั้งให้แน่เนี่ยอันนี้แหละเ ป, เป็นฐานเป็นฐานเบืองต้นถึงว่าเป็นเครื่องอุปการะแก่คุณธรรมอุปการะแก่บุญกุศลหรือความสุขอย่างอื่นคือสตินี่แหละท่านจึงว่าสติสัมปชัญญะสติ คือความะระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวเนี่ยทำให้รู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เอาอยู่ท่านนี่แหละันกว่าจะพูดธรรมะจบลงอย่าให้มันเผลอไปคิดเรื่องอย่างอื่นพูดโทพูดโทษเดี๋ยวมันความจงใจความตั้งใจไม่กล้าไม่แน่แน่ มันจะสอดทายเอาไปกับอารมณ์เรื่องการเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องหน้าที่การงานต่างๆควบคุมไว้ให้ดีมาให้มันสอดไปรู้ไปนึกไปคิดขณะนี้เดียวนี่ให้ทํางานหายใจเข้ารู้พุทธหายใจออกรู้โทเท่านั้นเอาอย่างเดียวนี่ให้แน่วแน่ ใจ <c oughs> นี่แหละเป็นมหาเหตุเพราะว่าทำไมจึงให้ทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนธรรมะเหตุที่จะให้จิตใจสงบแล้วก็จะดับเสียสึ่งความทุกข์ที่เป็นสัญญาอารมณ์ทำให้ใจนี่ว่าวุ่นคุนมัว ประว่าสัญญารมต่างๆเราเคยนึกเคยคิดเคยกําหนดรูปเคยปรุงเคยแต่งเป็นงานของใจเรยอว่าธรรมชาติของใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติรูปที่นี้รูปมันก็รูปไปตามนา ม, มาธรมรมคือสัญญาความจำได้ไม้รูปสังขารความนึกคิดปรุงแต่ง อิน ญ, ญาณความรับรู้รับทราบในการนึกคิดปรุงแต่งนั้นๆั่นเวทนาความเสวยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างสุขทางใจทุกข์ทางใจสุขทางกายทุกข์ทางกา ย, กากายสัมผัสกันบางทีก็เพราะความเจ็บปวดเกิดขึ้นทางกายทางจิตใจก็ดินน้นรน ก็เลยเป็นทุกข์ทางกายเป็นทุกข์ทางใจที่นี้ถึงแม้มันจะเก็บจะปวดขึ้นมาทางกายในขณะที่เรานั่งนานๆไม่ขยับขยื่นเนี่ยมันเกิดก็ให้มันเป็นเรื่องของทุกขเวทนาเราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจกับทุกขเวทนาใส่ใจอยู่กับหายใจเข้าออพุทหายใจออกโทเท่านั้นแหละ มันเกิดขึ้นได้มันก็ดับเองของมันได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่เป็นเป็นอุปสรรคในการที่จะทําสติให้ต่อเนื่องกันคือทุกขเ ว, เวทนาความเก็บความปวดความเหน็บความชาเกิดขึ้นในร่างกายนี่เรียกว่าขันธมานมานคือขันคือร่างกายนี่แหละเป็นมานในตัวของตัวเองอย่าไปสนใจ อย่าไปเอาใจใส่เอาใจใส่แต่พุทธหายใจเข้าโทหายใจออกให้แน่วแนว่ให้ต่อเนื่องนจนจนกว่ามันจะละเอียดลงไป เ, เดี๋ยวแต่ความรู้พุทธรู้โทรู้พุทธ ร, ท ร, ทรทู้โทละเอียดเข้าไปพุทธโทไม่มีเดี๋ยแต่ความรู้วันเดียวเด่นไม่มีอะไรไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนี่แต่ธรรมชาติรู้สบายว่างโลง่ง ก็อยู่ในกับตรงนั่นแหละใน อ, อ, อ, อ, อาการของจิตมันจะเป็นไปอย่างนั้นถ้าหาว่าสติต่อเนื่องกันทำไมเราจึงต้องมาฝึกจิตใจเพราะว่าใจนี่เป็นประธานของร่างกายใจนี่เป็นเจ้าของของร่างกาย อันเองว่าอใจเป็นนายอืเป็นมหาเหตุเป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้บังคับบัญชาร่างกายเมื่อใจที่รู้นี่แหละมีความรู้สึกนึกคิดมีความอยากอะไรเกิดขึ้นแล้วก็บังคับกายได้อบังคับให้วิ่งก็วิ่งได้ ในเมื่อยังไม่ทุกพลภาพบังคับให้เดินหรือสั่งให้นอนให้ยืนให้ทำกิจการงานต่างๆก็มีใจเป็นผู้สั่งเนี่กายจึงเป็นทาตตกเป็นทาตของใจนี่กายเป็นทาตของใจใจเป็นทาตของความอยากที่นี่ีความอยากอันหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้สั่ง เป็นผู้สั่งเป็นผู้สั่งใจนี่แหละมีความอยากขึ้นมาผู้สั่งใจใจก็สั่งกายกายเป็นาธาตุของใจใจเป็นาธาตุของความอยากเป็นาธาตุของความโรคความโกรธ ค, ความหลงซึ่งเป็นอาการเกิดขึ้นอยู่ในใจอันเดียวกันนี่เมื่อเป็นเช่นนี้ยังต้องมา ฝึกเพื่อให้ใจนี่เป็นเอสระไม่ให้เป็นทาตุไม่ให้ใจเป็นทาตของความโลภโกรธหลงไม่ให้เป็นทาตของความอยากพออาการแห่งความอยากความไม่อยากมันเป็นอาการอันหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปนะมันไม่ได้อยากอยู่ตลอดคนเราที่มีความอยากอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้อยากอย่างเดียวอยู่ตลอดไป นีมันอยากอย่างนั่นอยากอย่างนี้อยากมีสุขอย่างนั่นอยากพ้นจากทุกข์อย่างนี้ี่อยากมีเกียรติมียศมีราบยศสันโดษสัสุงมันจะเป็นขณะขณะสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยมันเป็นสิ่งที่เกิดเกิดดับดับมันเป็นของไม่จริงไม่แน่นอนความยาวเนี่ยที่ท่านเรียกว่าตัณหาก็เกิดขึ้นที่ ใจที่ผู้รู้รู้นี่แหละ <c oughs> ใสพู้รู้รู้นี่แหละเป็นที่เกิดแต่เกิดแล้วก็มาเป็นโทษแก่ใจเองนี่เนี่ยเป็นเส้นเน่ยจึงต้องมาฝึกหัดปฏิบัติเพื่อให้ใจเป็นอิสระของใจแท้ๆนี่จึงได้จึงต้องมาปฏิบัติธรรมะ คือสำรวมสังวรในศีลศีลสรรมบัตรนี่ในอริยทรัพย์พวกเราต้องการทรัพย์ต้องการทรัพย์สมบัติแต่ทรัพย์สมบัติทันประเสริฐท่านเรียกว่าทรัพย์สมบัติภายในส่วนทรัพย์สมบัติ เรียนชานบ้านช่องวัตถุสิ่งของอนั่นมันเป็นวัตถุสมบัติภายนอกส่วนภายในที่มันจะมีอยู่กับจิตกับใจของเราเนี่ยนี่อยู่กับความรู้ธาตุรู้นี่อยู่กับสติปัญญาที่เกิดอยู่กับใจของเราเนี่ยท่านจึงเรียกว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์ของพระอริยเจ้า ทรัพย์ของพระ อ, อริยเจ้านี่ยมีอยู่เจ็ดประการเรียกว่าจากะศรัทธาศรัทธาทะนังศรัทธาคือความเชื่อความเชื่อความเรื่อมใสความเชื่อมั่น ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยท่านเรียกว่าศรัทธาเช่นอย่างเราเชื่อมั่นในธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าอผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามย่อมยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นจริงๆนี่เรียกว่าเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นใน พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นเป็นหลักเป็นหลักเป็นฐานของทรัพย์อื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้าหากว่าทรัพย์คือศรัทธาความเชื่อเชื่อใน บุญในบาปในคุณในโทษในบาปในบุญในคุณในโทษเชื่อในศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นธรรมะที่ยังความสุขนำออกจากความทุกข์ทุกกายทุกใจทุกเกิดทุกแก่ทุกเก็บทุกตายนี่ยจะต้องออกด้วย ศีล ส, สมาธิปัญญาเมื่อมีความเชื่อมั่นอย่างในขณะนี้ละเชื่อมั่นให้สติของเรารู้อยู่กับลมหายใจเข้าพุธรู้อยู่กับลมหายใจออกโทต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อมั่นนี่เป็นทรัพย์ที่หนึ่งเรียกว่าศรัทธาทะนัง เมื่อมีศรัทธาแล้วก็จาขาดะนังจาขาจากขะความเสียสละสามารถเสียสละความสุขถึงแม้จะมีแต่เป็นความสุขนิดนิดหน่อยหน่อเสียสละความสุขนิดนิดน่อยหน่อยเพื่อความสุขอันยิ่งได้ หรือเสียสละความสุขของตนที่มีอยู่เพื่อผู้อื่นหากว่าควรจะรับความสุขจากสิ่งที่เรามีเราก็สละเพราะฉะนั้นความเสียสละกับทานะการให้จึงเป็นคู่กันนั่นว่าสละให้ทานได้หรือสละ สิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลไม่ทำไม่ทำไม่นึกไม่คิดแม้แต่จะนึกจะคิดก็ไม่นึกไม่คิดไม่ทำไม่พูดสิ่งที่จะเป็นบาปเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นความเศร้าหมองนีสระได้ท่านเรียกว่าสละเพื่อทำสะละแม้กระทั่งชีวิต ก็สละได้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อความไม่เป็นบาปเป็นอกุศลถึงแม้จะชีวิตจะสิ้นสุดไปก็ยอมเช่นอย่างว่าเขาจะบังคับให้เราทำบาปทำอกุศลทำกรรมสิ่งที่เป็นบาปจะให้เราไปฆ่าคนอื่น เราไม่ฆ่าเขาก็จะฆ่าเราอย่างก็ยอมเสียสละชีวิตของเราได้เพื่อความไม่ฆ่าไม่ทําลายนี่ท่นี่ว่าจาคะจาคะที่ประเสริฐจาคะที่บริสุทธิ์นี่เป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นทรัพย์ของพระอริยเจ้าจาคาทนังศีรทนังศีล ที่พวกเรากล่าวสมทานเพื่องดเว้นจากโทษทั้งห้าประการคือการไม่ฆ่าไม่ทำลายชีวิตของสัตว์อื่นบุคคลอื่นและตนเองด้วยนี่เรียกว่าเป็นผู้ไม่มีโทษทางกายไม่รักไม่ขโมย ไม่รักไม่ขมโมยไม่หาวิธีดีบบังคับอิจฉาพยาบาทเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนนี่เรียกว่ายินดีแต่สมบัติที่เราได้เรามีด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยสติปัญญาที่ของเราสร้างขึ้นมาทำขึ้นมา ไม่มีโทษทางกายด้วยการหยิบการถือเอาของผู้อื่นด้วยเธยยกิจคิดรักโรคไม่ประพฤติผิดในกามนี่กรรมทางกายเว้นก็ เ, เป็นศีลกรรมทางวาจา มีความเชื่อมั่นในการที่จะไม่พูดไม่กล่าววาจาที่หยาบคายหลอกลวงอำพราง <c oughs> เพื่อให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายเสียทรัพย์เสียความรู้สึกทาง จ, จิตใจในขอเว้นทางวาจาทนี้ว่าวจีกรรมสี่ ไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดสาหรับเพื่อเจอเหลวไหลไหลสาระนี่ทางมนโนกรรมไม่คิดละโมบโรคเพื่อจะเอาของผืนมาเป็นของตนไม่คิดพยาบาทเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้หาวิธีพยาบาทมาไล่ตัดรอนเพื่อให้เสียมเสียจากความสุขที่เขาได้เขามีนั่ น, น, น นี่เรียกว่าไม่พยาบาทมาด ร, ร้ายมีความเห็นชอบเห็นอนิจจังทุกขานาตาทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายไปเห็นเหตุผลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุเม่อมีเหตุแล้วจึงมีผลทำเหตุดีก็ได้รับผลดีทำเหตุ ชั่วก็มีผลร้ายเกิดขึ้นนี่เดียวทำความเห็นให้ตรงเมื่อความเห็นตรงเห็นชอบก็จะได้ปฏิบัติให้ชอบให้ถูกต้องได้นี่เป็นกรรมทางกายทางวิจารละทางจิตใจนี่เมื่อนี่เมื่อมี ศรัทธามีจาระมีศีระความสํารวมให้เป็นศีลทางกายวาจาใจแล้วก็มีพระหุสัจจะพระหุสัจจะคือความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังผู้ดได้ยินได้ฟังมากที่ได้ยินได้ฟังมีอะไรก็อสนใจ ในการฟังแล้วก็ค่อยควรพินิษพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลท่านจึงสรรเสริญว่าการได้ยินได้ฟังเอาหูสัจจะวามเป็นผู้สดับรับฟังเหตุผลธรรมะทั้งฝ่ายที่เป็นทมเลวเรียกว่า รรมีน่าทำทั้งฝ่ายที่เป็นปณิตธ ร, ธรรมทำมันละเอียดทำที่นำไปสู่ความสุขอันยิ่งนี่เป็นทรัพย์ของพระอริยเจา้าเรียกพระหูสัจจะทนังหิริทนังความละอายความเป็นผู้มีจิตใจที่มีนิสยัยรู้ละอายละอายต่อ บาปต่อก ร, รมมีความละอายเรียกว่าเห็นใจผู้อื่นไม่เป็นจิตใจที่แข็งกระด้างท่านีว่าความละอายแก่ใจจะทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็มีความละอาย นี่เป็นธรรมะเป็นอริยธรรมเป็นทรัพย์ของพระอริยเจ้าโอตปะทนังความสะดุ้งกลัวสะดุ้งกลัวต่อโทษสิ่งนี้ทำลงไปแล้วจะต้องเกิดโทษจะต้องเกิดโทษเมื่อให้มีความสงบสุขให้เกิดโทษในปัจจุบันหรือเกิดโทษในเบื้องหน้า ไม่เป็นบาปเป็นกรรมไปตกนรกหมกไหมหรือไปเกิดสู่ภพภูมิที่จะเป็นเกิดเป็นสเิรษชานเปรตอสุรกายเหล่านี้มีความสะดุ้งกลัวและก็ไม่ทำกรรมนั้นๆเรียกว่าโอตปะทนังเป็นทรัพย์ของพระอริยเจ้าถ้าผู้ใดมีผู้ใดปฏิบัติให้เกิดให้มีให้เป็นก็ออนับได้ว่า เป็นผู้มีธรรมของพระอริยเจ้าเข้ามาครอบครองและสุดท้ายเขาปัญญาทนังปัญญาสัมมาทิฐิความรู้ความเห็นที่ชอบตามความเป็นจริงรู้ชอบเห็นชอบตามอนิจจังทุกขังอนัตตาในหลักแห่งสัจธรรมคือปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นการเจริญ ปัญญาด้วยการเจริญสมาธิเจริญปัญญาตามเจริญปัญญาด้วยการได้ยินได้ฟังธรรมะเรื่องเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลหรือปัญญาที่จะเกิดขึ้นสามทางสามอย่างที่ท่านเรียกว่าปัญญาสามปัญญาเกิดขึ้นจาก การได้ยินได้ฟังเรียกว่าสุตตะสุตตะคือการได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังก็มีความเข้าอกเข้าใจแจมแจ้งอันเรียกว่าปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังเข้าใจด้วยการได้ยินได้ฟังเรียกว่าสุตตะมยะปัญญาอินตะมยปัญญาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจยังไม่แจมแจ้ง ก็มาไข้ควรพินิษฐพิจรารณาทัานเรียกว่ากินตะคือกินตนาการด้วเอาใจใส่ในการติกตองในเหตุผลต่างๆก็จะเข้าใจแกมแก้งรู้จักรู้ทางบางทีเหมือเรามีปัญหาอะไรในการทำการทำงานเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาใช้ ปัญญาคือการไขควนตึกต้อง เ, อเหตุผลท้ายก็เข้าใจรูช่องทางในการที่จะแก้ปัญหาได้หรือว่าแก้ปัญหานั้นๆได้หลุดไปตกไปด้วยปัญญาด้วยกินทมยปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาที่เราฝึก กิจใจเนี่ยให้มีสติธรรมมีศีลธรรมนี่แหละให้กลมกื่อนให้ยินดีในการปฏิบัติกายวาใจใจให้เป็นศีลให้คุ้นเคยให้เป็นนิสัยเมื่อทาให้เป็นนิสัยแหละไม่เป็นของยากการเพราะว่าการรักษาศีลเพียงเป็นการสำรวมระวังไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษเท่านั้น ไม่ได้เป็นสิ่งยุ่งยากอะไรที่นี่ยุ่งยากก็ยุ่งยากที่จะเอาชนะความอยากทำนั้นไม่ได้นั่นตรงนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้จเจริญสมาธิอีกเป็นกำลังเป็นกาลังเป็นเครื่องมือของใจของความลู่ลูนหรือมีสติธรรม้วก็มีสมาธิธรรม เพื่อการสกัดกั้นความอยากที่เกิดขึ้นในใจความอยากทำอยากทำในสิ่งที่ผิดนั่นแหละ ท, ท, ทั้งๆที่รู้ๆอยู่ว่าสิ่งนี้ทำแล้วเกิดโทษเป็นโทษไม่ยังความสุขให้เกิดขึ้น แ, แต่มันก็อยากทำอยากทำอยากนึกอยากคิดนี่เพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างฐานของ สติและสมาธิมาเป็นตัวสกัดกัน้นนิวรคือความอยากความไข้ควรความอยากในกามมฉันความยินดีพอใจครุกคลุ่นอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภพความอยากอยู่ในราบยศสรรเสริญสุกต่างๆนี่ต้องอาศัย สมาธิธรรมเกิดจากการตั้งสติกำหนดรู้อารมณ์มันเดียวนี่แหละมันจะเป็นฐานเป็นเครื่องสนับสนุนกันนี่ศีล ส, สมาธิศีลธรรมสมาธิธรรม เมื่อเกิดขึ้นภายใ น, ยในจิตใจล่ะก็จะเป็นไปเพื่อปัญญาอันแจมแจ้งเรียกว่าปัญญาพรภาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากสติสมาธิเป็นเครื่องโนนแล้วก็น้อมพิจารณาให้ ค, ควรเหตุผลก็จะรู้ปัญญานี่รู้โทษรู้เหตุ รูปผลรูปโทษลูกคุณนั่นแหละไม่ว่าสิ่งใดเมื่อเห็นโทษอย่างลึกซึ้งแล้วมันจึงสลัดมันจึงสลัดในความอยากในความอยากความปาถนานที่มันห่อหุ้มอยู่กับใจที่รู้ลู่ต้องล้างต้องชำระด้วย ภาวนามยปัญญาความอยากละเอียดเป็นอาสะวะปกคุมจิตใจอย่างละเอียดเหมือนทุระเหมือนอะรละอองทุลรีในพื้นกระดานของเราเที่เราขัดเราลงน้ำมันใสใสะอาดมันไม่มีแหละขยะหยาบ เรามองเห็นเราก็กวดก็เก็บออกไปแต่ขยะหรือทุลีท่านเรียก ว, ว่าสิ่งที่ละเอียดท่านเววรียกว่าทุลีทุลีคือกิเลสท่านเรียก ว, ว่าอาสวะที่มันคล้องอยู่อย่างละเอียดจะต้องชำระด้วยภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาเกิดจากการภาวนาเกิดจาก สติสมาธิที่ต่อเนื่องกันแล้วก็พินิษพิจารณาทบทวนเหตุผลกลับไปกลับมาแยกแยะจนมันรู้เข้าใจว่ามันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ใจนี่เองอาสวะหรือความอยากทั้งหลายมันเกิด อยู่ที่ใจนี่นี่มันหลุดมันก็หลุดที่ใจนี่นั่นแหละเมื่อเข้าใจความจริงมันมันก็หลุดจากใจเรียกว่าชำระธุลีให้สะอาดด้วยปัญญาปัญญามยะปภาวนนามะยะปัญญาคือปัญญาที่ละเอียดนี่ธรรมะ หรือว่าทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์ที่กล่าวมานี่เป็นทรัพย์ที่จะยังประโยชน์สุขสุขทั้งกายสบายทั้งใจให้เกิดให้มีขึ้นทั้งในปัจจุบันที่ชีวิตของเรายัางกลมกืนยังสมประยุทธ์อยู่ด้วยสมมติธาต ที่รูปร่างกายทั้งระหว่างกายกับใจที่ยังคมกลืนกันอยู่นี่จะทำให้มีความสุขได้แล้วก็ความสุขที่ละเอียดเป็นเรื่องของใจโดยเฉพาะก็สุขได้ด้วยอริยสัพน์นี่แอริยสัพ ทั้งเก็ดประการพอ ร, รวมเข้ามาแล้วมันเป็นเรื่องของสติสมาธิปัญญาเนี่เป็นผลเป็นประโยชน์ต่อความรู้สึกนึกนึกคิดต่อกายต่อใจนี่ต้องใช้ต้องอาศัยสมบัติเหล่านี้ล ที่ชีวิตมีการเกิดขึ้นมาแล้วประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุาิญญาณธาตุนี่เดีวธาตุหกธาตุหกรวมกันอยู่นี่แต่ธาตุที่สำคัญก็คือธาตุรูปคือใจนั่นแหละ ไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีอำนาจแต่มีอานาจมีกำลังมีกาลังที่จะหนุนนาไปหนุนนำไปให้เป็นเชื่อให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์สมบัติก็ได้ เกิดเป็นสัตว์เดรัจานก็ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัานประเภทต่างๆสัตว์น้ําสัตว์บกสัตว์อยู่ในดินในน้ําสัตว์บินอยู่บนอากาศเป็นไปได้เพราะเพราะใจนี่แหละเพราะใจเพราะ อ, อํานาจของกรรมที่ซ่อนเล่นอยู่กับใจนี่คือกรรมยังไม่สิ้นสุด กรรมก็คือการกรรมไว้หละเหมือนเรากรร ม, มือกรรมไม่แบไม่ปล่อยอมันก็ไม่หลุดไม่สิ้นสุด น, นี้กรรมในจิตอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นกระแสอันหนึ่งซ่อนเล่นอยู่ในใจในท่ารู้คือใจนี่นั่นแหละมันเป็นเชื่อ เป็นเชื่อที่จะให้นำไปสังสารันตาพระวาพระโวเกิดในภพน้อยและภพใหญ่นี่ขันห้าและขันสี่และขันหนึ่งนีม่มุนอยู่ในในภพทั้งสามกามมาพบรูปพบอรูปพบกามมาพบนับตั้งแต่เอเวจีนรก เปตสัตว์ได้ไดชันสุรกายมาถึงมนุษย์เทวดาสั้นต่า ง, างๆขึ้นไปนี่เรียกว่าการมาพบรูปพบเนี่พวกจิตวิญญาณที่เข้าสู่รูปคมมีชานเป็นเครื่องอยู่อรูปพบ ก็กิตวิญญาณที่ไม่ปรากฏรูปอย่างเหลือแต่ความสุขเวทนาไม่มีสัญญาอัานเรียกว่าอารูปภพนี่ทั้งสามทั้งสามระดับนี่แหละท่านเรียกว่ายังตกอยู่ใน วัตตะสงสารเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งไม่ตายถ้ารู้เนี่ยไม่สลายไม่ละลายไม่หายไปไหนมเมื่อมีแล้วก็รู้อยู่อย่างนั่นแหละแต่รู้ไม่บริสุทธิ์เนี่ยก็รู้อยู่ด้วยอาสวะยึงเป็นเหตุให้หมุนไปทำกรรมแล้วก็ไปสู่ภพนั่นภูมินี่ในภพสาม ในกําเนิดสีเกิดในไข่เกิดในขั้นเกิดจากเหงื่อจากไข่าจากเท่าไขา่ความสกปกของเหงื่อก็เกิดเป็นตัวเรนตัวไลตัวเมนขึ้นมาได้แต่ก็มีจิตวิญญาณอยู่ในนั้นแหละนี่จะทำให้บริสุทธิ์หมดจดได้ก็ต้องอาศัย ธรรมะที่จะให้มีความสุขสิ้นสุดเป็นบรมสุขได้ให้มีความสุขในปัจจุบันเนี่ยอาศัยธรรมะอาศัยสติสมาธิปัญญาเนี่ยแหละอาศัยศีลธรรมเป็นเครื่องเป็นข้อประพฤติปฏิบัติในเมื่อใจมีสมาธิแน่วแน่มั่นคง เป็นอิสระของตัวเองแลละไม่ตกเป็นทาสของความอยากความอยากเกิดขึ้นก็รู้เหตุผลก็ไม่เอียงไม่เอเอียงไปตามก็ไม่สั่งการกายไม่สั่งการวาจาไปตามเดี๋ยวความอยากมันเกิดขึ้นมันก็ตกไปก็ดับไปเพราะความอยากเป็นสมมุติ มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแทนแน่นอนอยากอะไรก็ตามเละอยากมันเป็นสมมุติเท่านั้นแต่ถ้าอยากในสิ่งที่ดีก็เป็นไปเพื่อจะทําเหตุแห่งความดีเมื่อเข้าถึงความดีถึงที่สุดแล้วความอยากนั้นก็หมดปัญหาไปก็ไม่ต้องอาศัยความอยากนั่นนี่จึงว่า ศีล ส, สมาธิปัญญาหรือสติที่ประกอบด้วยความชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิส ม, มาทิฏิความชอบสติความชอบแห่งสมาธิความชอบแห่งปัญญาเรียกว่าปัญญาสมาธิฏิความเห็นชอบเห็นลงสู่ความเป็นธรรมะ ในเบื้องต้นเห็นเหตุเห็นผลลงสู่ความสุขความดีที่อยู่ในสมมุตินี่ก็เป <c oughs> ็นผู้ <c oughs> ม, ม, มีศีลมีธรรมประพฤติปฏิบัติกายวาจาไม่ไม่ผิดหลักแห่งศีลธรรมไม่ผิดหลังหลักแห่งกฎหมายบ้านเมืองวัฒนธรรมประเพณีแหละก็มีความ สงบสุขเห็นชอบละเอียดเข้าไปจนเรื่องคุณธรรมสเพ ธ, ธรรามานตาติสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยความสุขกบตามความทุกข์ก็ตามความดีความชั่วทั้งหลาย เ, ยเป็นอนัตตาทั้งหมดไปสุ่มความเห็นลงสู่อนัตตาธรรม ไม่เป็นตัวเป็นตนมันก็ไม่มีความยึดความถือว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นถ้ามันประชมลงด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิสัเพ ธ, ธมานัตาติอะมันจะมันจะโลง่งมันจะว่างไปหมดภายในจิตใจของเรานั่นทันจริงว่าสิ้นสุดทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเพาะอาศัยธรรมะนี่แหละ เพราะฉะนั้นถ้ามองข้ามเรื่องธรรมะมองข้ามข้ามจากการประพฤติปฏิบัติตามสัจธรรมคือเหตุแห่งความสุขและความทุกข์แล้วจะไม่พบความสุขอันแท้จริงชีวิตความเป็นอยู่ถึงแม้จะมีทรัพย์ภายนอก มีชีวิตอยู่ด้วยความสุขสบายไม่มีโรคมีภัยในปัจจุบันก็ตามมีสติปัญญาดีคิดได้มีความสามารถในการทำการทำงานค้าขายต่างๆได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติตามสมมุติวัตถุสมบัติตามสมมุติโลกคือสำเร็จ สำเร็จในการประกอบโลกีธรรมโลกีสุแต่ถ้าขาดธรรมะมไม่มีโลกุตรธรรมเป็นเครื่องคุ้มกันไปตั้งแต่เบื้องต้นคือสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสติสมาธิาธาธปัญญา เป็นเครื่องรักษาใจเป็นเครื่องรอบรู้ใจเป็นที่พึ่งของใจจะไม่มีจะไม่มีความสุขถึงแม่มีทรัพย์สมบัติมีโพคะสมบัติอะไรอะไรก็มีหมดตามสมมุติโลกแต่ความสุขไม่เกิดที่ใจยังมีความวุ่นวายสายแสมีความกลัวอย่างงั้นอย่างนี้มีความวิตกกังวล จารพัดอย่างเพราะไม่เข้าใจในสเพสังขารานิจจาสเพสังขาราทุกขาสเพธามานตาถ้าเข้าใจในไตรลักษณะทั้งสามาทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันเสื่อมไปเข้าใจด้วยปัญญาของเราเห็นจริงเห็นแจ้งด้วยญาณคือความเห็น เดีย๋ยวยานคือความรู้ทัศนะคือความเห็นประชมรวมเป็นหนึ่งนั่นแหละมันจึงจะหมดความกังวลใน จ, ใจิตใจยอมรับหรือว่ายอมปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามสัจธรรมอถึงข้าวเสื่อมมันก็จะต้องเสื่อมไปถึงความสลายมันก็ต้องสลายไปแต่ ตัวของเราแท้คือใจมีธรรมเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่เป็นเครื่องเห็นตามเป็นจริงแล้วนั่นแหละจึงเป็นอิสระธรรมชาติใจนี่จึงเป็นอิสระจากความโลภโกรธหลงเป็นอิสระจากความอยาก จึงว่าไม่เป็นธาตุของตัณหาไม่ตกเป็นธาตุของความอยากเป็นอิสระเฉพาะตนท่านจึงจะเป็นความสุขอันแท้จริงได้ราวธรรมะในเรื่อง อริยทรัพย์คือทรัพย์อันปรสริฐแต่แก่สมบัติธรรมของพระอริยเจ้าเจ็ดประการคือศรัทธาความเชื่อในธรรมะความเชื่อในเหตุผลตามเป็นจริง ยาคะความเสียสละศีระความสำรวมกายวาจาใจไม่เป็นโทษอหุสั จ, จความเป็นผู้สนใจในการฟังให้ควรเหตุผลหิริความเป็นผู้มีความละอายแก่ใจโอตปะ ความเป็นผู้มีจิตใจสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อโทษต่อสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายปัญญาความเป็นผู้มีจิตใจรอบรู้ยังทราบเหตุผลต่างๆด้วยปัญญานี่แหละเป็นธรรมอันประเสริฐเป็นธรรมที่จะ เพื่อกูลให้ชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในขณะที่มีกายกับใจกลมกืนรักษากันอยู่ทำกิจการงานหน้าที่การงานในสังคมการงานต่างๆนี่ก็จะพอมีความสุขกายสบายใจตามฐานะแห่งโลกียสุข และจะมีความสุขอันยิ่งคือโลคุตตะโสกความสุขที่เกิดแจปัญญารู้จริงเห็นจริงแล้วก็ถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความวิตกกังวลความเสียอกเสียใจต่างๆถอนได้ด้วยปัญญาอันชอบ แล้วก็ได้ปารพถึงว่าชีวิตของเราที่เกิดมาจะมีชีวิตเป็นอยู่อาศัยลมหายใจอาศัยลมหายใจเป็นซึ่งเป็นบุญญาฤทธิ์เป็นสิ่งที่ยังชีวิตให้ต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นจึงให้เอาลมมาเป็นสิ่งกำหนดรู เป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องรู้ของใจให้ต่อเนื่องกันเป็นวัฏฏะปฏิบัติเป็นปัจจุบันปัจจุบันเนรียกว่ากรรมรู้ให้เป็นวัดให้ต่อเนื่องกันไม่ขาดวักขาดตอนเพื่อจะได้สติ ธรรมคือความระลึกรู้ต่อเนื่องกันไม่เป็นช่องให้อาธรรมไม่เป็นช่องให้ความหลงสอดแทรกขึ้นมาได้เพราะเรามีความรู้มีสติรู้ต่อเนื่องนี่จึงว่าเมื่อสตุเมื่อสติระลึกรู้ต่อเนื่องกันนั่นแหละเป็นวิชาอืม เป็นวิชาในเบื้องตน้นถ้าสติเผล อ, อเผลอสติความรู้ไม่มีสติเป็นเครื่องละลึกรูก้ก็เป็นความรู้ที่ลอยไปตามสัญญาอารมณ์แต่ถ้าเผลอสติขาดสติเมื่อไรก็ขาดความเพียรขาดวิชา กลายเป็นอวิชชาเพราะฉะนั้นอวิชชาก็คือความเพ้อสติที่ท่นว่าความไม่รู้ไม่รู้ต่อเนื่องไม่รู้เท่าทันนี่เป็นอวิชชาเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเจริญสติด้วยการกําหนดลู้ลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโท นี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นรากเง้าเข้ามูลที่จะให้เกิดกุศลคือความดีแล้วก็ให้เกิดบุญคือความสุขสุขทั้งกายสบายทั้งใจได้ด้วยการลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมมะเพราะเมื่อเราทำอย่างนี้ สติต่อเนื่องกันไม่ขาดวักขาดตอนเราจะเห็นความผิดปกติยาวธรรมดาที่สติไม่ต่อเนื่องกันจะรู้สึกความเบากายเบาใจรู้สึกว่าเมื่ออะไรสัมผัสเข้ามามันก็จะมีเหตุมีผลรู้เหตุรู้ผลนั่นเป็นสายเป็นบรรทัดฐาน หนุนกันไปจนถึงความตั้งมั่นของใจไม่เป็นใจคิดปูงฟุ่งล้วนเลวิตกวิจารนี่ถ้าใจปราศจากสติเป็นเครื่องหนุนแล้วจะเกิดเป็นใจวิตกที่ท่านเรียกว่าจิตวิตกวิตกเรื่องน้นเรื่องนี้วิตกวิจารไม่เป็นปกติ คนสุดท้ายก็เกิดเป็นความทุกข์วิตกวิจารณเห็นอะไรก็วิตกไปเองวิจารณ์ไปเองบางที่อยู่กับหมู่กับเพื่อนในชุมชนในกลุ่มชนก็วิตกวิจารณคิดไปแต่ว่าเขาจะทำร้ายเขาจะคิดไม่ดีทําไม่ดีอะไรต่อตัวของเราเองเลยกลายเป็นวิตกจริต กลายเป็นความฟุ้งซ่านเป็นจิตป่าศจากสติป่าศจากสมาธิเป็นเครื่องหนุนก็ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาที่จิตใจได้การที่สติต่อเนื่องกันจะเป็นผลให้ใจมั่นคงแน่วแน่เรียกว่าเป็นใจมีเหตุมีผลแต่ก่อนที่ยังไม่มีสติต่อเนื่องกัน ใจยังไม่มีสมาธิไม่เป็นความตั้งมั่นไม่รวมความรู้เป็นตัวของตัวเองอะไรสัมผัสเข้ามาก็คอยแต่จะวิตกวิจารปรุงแต่งให้เกิดความกระสับกระส่ายความร่สมรสายของใจความวิตกกังวลเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นความทุกข์กลายเป็นความโศกความเศร้าความเสียอกเสียใจ ที่ท่านเรียกว่าโสกะปริเทวทุกขาโทมานต์อุปายาตอันนี้มันเป็นอาการที่เกิดขึ้นทางใจเป็นความคับแค้นใจเป็นความเหี่ยวแห้งใจเป็นความบกพร่องของใจแหละไม่มีความอิ่มเหมือนกับเหมือนกันกับเราหายใจไม่ถึงท้องหายใจไม่อิ่มนี่หะหายไปเท่าไปเท่าไรก็ไม่สบาย เ, ยเมื่อระบบ ของการหายใจมันผิดปกติใ น, นเรื่องของจิตเกิดโทมานัตครับแค้นก็เหมือนกันจะนึกจะคิดสิ่งใดก็มีแต่ความหิวโหยมีแต่ความโทมานัตบันทมทุกนี่เพราะขาดธรรมะคือสติธรรมสมาธิธรรมและปัญญาธรรมนี่เมื่อจิตนี่ประกอบด้วย สติสัมปชัญญะต่อเนื่องกันแล้ยจะมีความแน่นหนามัน่นคงไม่วิตกวิจาร์คือมีเหตุมีผลเจ็นึกจะคิดอะไรก็มีเหตุมีผลในเรียกว่าได้ประโยชน์จากสติธรรมสมาธิธรรมและปัญญาธรรมนีการภาวนาทำปัญญาให้เกิด ด้วยความสงบของจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านลาคาญแล้วถ้าควรเหตุผลต่างๆเข้าอกเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลได้ น, นี่พระธรรมเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระสงฆ์งงคือโมผูปพฤตปฏิบัติตาม รวมเข้ามาก็คือตัวของเราเนี่ยที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้นี่เป็นกิริยาแห่งผู้ศึกษาคือสงสาวกของพระพุทธเจ้าคือผู้สดับผู้รับฟังและก็ปฏิบัติตามก็คือเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านประทานโอวาทให้แล้วก็ลงมือปฏิบัติสร้างสติสมาธิปัญญาให้เกิดสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับกจิตใจของเราอยู่ขณะนี้เดียวนี้นี่จึงเรียก ว, ว่ากิริยาแห่งพระสงฆ์เราต้องเป็นผู้ทาเองปฏิบัติเองธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกเป็นผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะแล้วที่เราก็มาประพฤติเองปฏิบัติเองก็เป็นที่พึ่งของตนเองอัตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปทำบุญบุญเป็นที่พึ่งทำบาปก็บาปเป็นเครื่องนำไปให้เกิดทุกข์ทำบุญบุญเป็นสิ่งนำไปให้เกิดความสงบร่มเย็น เป็นสุขทั้งทางกายและทางใจทั้งในปัจจุบันและในเบื้องหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนกลัวจะเข้าถึงวิมุตตหลุดพ้นจากสมมติทั้งหลายทั้งปวง น, นั่นแหละเราเป็นบอรอมมาสุขได้อธิบายธรรมะเพื่อเป็นธรรมะปฏิสันฐานไม่ได้อยู่ที่อื่น ธรรมะธรรมะคือสภาวะสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงซึ่งมีอยู่ในกายในใจของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนนี่แหละเป็นสมบัติที่มีอยู่แล้วธรรมะมีอยู่แล้วเป็นเทียงแต่ว่าธรรมะนั้นยังเศร้าหมองเพราะถูกความโลภโกรธหลงกิเลสอาสวะปกคลุมอยู่ เพราะฉั้นจิงต้องมากล่าวมาพูดมาแนะนำให้ประพฤติปฏิบัติขัดสีธรรมะของเราแต่ละท่านแต่ละคนนั่นแหละเมื่อผู้ใดมีความเพียรไม่ลดละไม่ท้อถอยมีศรัทธาเชื่อมั่นตั้งความเพียรอันชอบไว้ทำให้เป็นวัดปฏิบัติให้เป็นวัฏตะปฏิบัติไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยธรรมะของเราก็จะ ผ่องใสเบิกบานขึ้นมาที่ใจนั่นแหละไม่ได้เบิกบานที่อื่นผ่องใสที่ใจเบิกบานที่ใจอคนทุกข์คนยากที่ใจนั่นแหละโรคโกรธหลงไม่มีอานาจมาปกคุมจิตใจนี่แต่ความรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็เบื่อนายคายความยินดีในความโรคความโกรธความหลงทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละ ที่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นเชื่อแห่งทุกข์ไม่มีที่สิ้นที่สุดเราเบื่อเราเบื่อเราหน่ายเราอิม่มเราระอาในสิ่งเหล่านั้นแล้วล้วก็เจริญธรรมะสติสมาธิปัญญาเนี่ยให้ยิ่งขึ้นมาแล้วนี่เรียกว่าธรรมะของเราพองสเบิกบาน ด้วยการขัดการสีคือการประพฤติปฏิบัตินั่นเองแล้วก็ได้ทำมาเป็นที่พึ่งได้คลองความสุขที่จิตใจตลอดไปจนอนันตการได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงโอปัญญโกน้อมเข้าสู่ใจน้อมใจให้มีความเชื่อมัน่นปลูกศรัทธาความเชื่อมัน่น ในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในการประพฤติปฏิบัติในการที่จะละบาปอากุศลทั้งหลายแล้วเจริญบุญกุศลคือความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาทำบุญให้ทานรักษาศีลนี่เป็นการสร้างบุญเพิ่มบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป แล้วต่อแต่นั่นไปพวกเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญจเจริญในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อดังได้แสดงมาก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้สนใจในธรรมะและประพฤติปฏิบัติตามธรรมะอําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีความสุขความ สุกกายสบายใจด้วยบุญกุศลคุณงามความดีและด้วยโภคสมบัติที่เกิดมีด้วยสุจริตธรรมที่เราสแสวงหาเป็นความสุขทางกายและท ร, ร ม, มาเป็นความสุขทางใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเทอิ